บูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความกรบมาอย่างหลวงพ่อกมพระอาจารย์อรงวิทย์พระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์สุรินพันเตขออกาดเพื่อนสาธรมิกเจริญพรมายัางแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ วันนี้ก็เป็นวันอังคารนะที่2นีะ่ตุลาคม2 5งพนะตรงกับวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือน11อนะก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะของชาพุทธเราโนะดยเฉพาะก่อหมู่สงฆ์และก็นักปฏิบัติธรรมนะก็คือเป็นวันออกปรรษาเราเข้าปรรษาเมื่อวันแรมหนึ่งคำ เดือน8นะก็เมื่อวันประมาณวันที่ส1หนึ่งกรกฎาคมนะที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ครบ3มเดือนนะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของการเข้าพรรษานะที่เรามาอยู่ร่วมกันนะมาศึกษาปฏิบัติธรรมมาเจริญสตินะโดยเฉพาะชาวบ้านบ้านใหม่นะที่มาจำศีล นะทุกวันพระนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับในปีนี้แต่คำว่าครั้งสุดท้ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะทำบุญนะรักษาศีลจเจริญจิตภาวนาหรือการออกพรรษาก็ไม่ได้หมายกับว่าเราจะออกไปจากการกระทา ในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราคงได้เห็นได้ยินนะในช่วงเทศกาลเข้าบรรษานะหลายคนนะก็เตรียมที่จะเดินทางไปที่นั้นที่นี่นะในหมู่ของชาวบ้านเองนะก็มีความเตรียมของนะที่จะทำบุญใส่บารดนะโดวยเวฉาในเช้า ว, วันนี้นะชาวบ้านใหม่ก็คงจะได้มาร่วมกัน ทำบุญในวันออกพรรษาซึ่งก็เป็นประเพณีของชาวพุทธเราที่ได้ทำสืบต่อกันมานตามตำนานตามเรื่องเล่าก็บอกว่าในวันออกพรรษาเนี่ยในพรรษาที่เจพุทธองค์ก็ได้เสด็จไปโปรดพุทธมันดานที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ลงมาจาก สวรรค์ชันดาวดึงนะในวันออกบรรษานะที่เมืองสังกัสดนะ์แคว้นโกศลนะซึ่งก็คือชมพูทวีปนะในสมัยโบราณปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียนะเราก็ถือเป็นโอกาสนะในการที่จะทาบุญนะในวันสำคัญวันนี้หรือบางทีบางวัดบางแห่งก็ทาวันพรุ่งนีนะ้นี่ก็แล้วแต่แต่ละแห่งนะที่เรียกว่าตักบาตเทโวโรหนะ นะก็คือการที่พุทธองค์ได้เสด็จลงจากาสวรรค์นะแล้วก็เรียกว่ามีการเปิดโลกทั้งสานะในยุคนั้นนะอันนี้ตามตำนานเขาเล่านะคนในโลกเนี่ยสามารถเห็นสวรรค์ได้เห็นนรกไดนะ้คนที่อยู่นรกก็สามารถเห็นโลกมนุษย์โลกสวรรค์ได้ซึ่งมีเพียงวันนี้วันเดียวนะนี้ตามตำนานที่เราได้ยินได้ฟังมา นะทีนี้ในเทศกาลเข้าพรรษาเนี่ยโดยความเป็นจริงนะในในหมู่ในวินัยของสงฆ์เนี่ยจริงๆเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาเนี่ยนะเรียกว่ามันยังมีเวลาอีกเดือนหนึ่งต่อจากนี้ไปจนถึงวันลอยกระทงนะมันมีกิจที่สงฆ์จะต้องร่วมกันทําก็คือการกรารกรถินนะคำว่ากรารกรถินเนี่ย นะก็คือการที่ช่วยกันนะในการตัดเย็บไนะตรจีวรจะเป็นผืนใดผืนหนึ่งก็ได้นะเพื่อที่จะถวายให้กับพระรูปใดรูปหนึ่งนะที่เราเห็นสมควรนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวินัยของสงอ น, นึงนะก็สามารถที่ทำได้จนถึงวันเพ็ญขึ้นสิบห้าขนะ้ามเดือน12บสวันลอยกระทงนะซึ่งวัดของเราก็ อาจจะมีการทอดกรถินนะแล้วก็กราญกรถินกันในวันเสาร์นี้นะคือวันเสาร์ที่สานสะิบตุลาคมนะซึ่งในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไม่ต้องจัดตัดเย็บเหมือนสมัยก่อนแล้วนะญาติโยมก็นํามาถวายเลยนะแต่ว่าเราก็ยังต้องทําพิธีกราญกรถินกันอยู่นะหลังจากที่าญาติโยมก็ได้ทําพิธีทอดกรถินนะเขาใช้คาว่าทอดกระถิน่น ทอดกรถิ่นก็คือเอาผ้ากรถินเนี่ยมาถวายให้กับสงฆ์นะเรียกว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงรูปใดรูปหนึ่งนะแล้วก็ในหมู่พระสงฆ์เองก็จะได้พิจารณานะได้ลงมตินะโดยเอกฉันนะว่าจะได้ถวายให้กับรูปใดรูปหนึ่งนะนี่ก็เป็นในส่วนงานหรือในกิจของสงฆนะ์ตามวินยัยนะที่ เป็นช่วงของการออกพรรษาเนาะที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันที่พระสงฆ์เองเนาะก็จะได้ร่วมกันนะแสดงตัวเองนะในการที่จะให้หมู่สงเพื่อนสงด้วยกันได้ตักเตือนนะในสิ่งที่เป็นอาจจะเป็นข้อบกพร่องนะหรือเป็นสิ่งที่เราเทำผิดพลาดไป นะในช่วงของการเข้าพรรษาร่วมกัน3เดือนเนี่ยนะมันมีอะไรที่ยังค้างค า, าใจกันอยูนะ่ยังไม่เข้าอกเข้าใจกันนะก็เรียกว่าตักเตือนกันบอกกันนะไม่ว่าจะได้เห็นด้วยตา ก, ก็ดีได้ยินด้วยหูก็ดีนะหรือเกิดระแวงสงสัยอะไรขึ้นมานะก็ได้ตักเตือนกันเป็นการช่วยเหลือกันนะในการที่จะทำให้ ความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยนะได้เลิกละไปนะแล้วก็ได้ทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะซึ่งเราเรียกว่าการปรวรณานั่นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นในมู่สงนะก็ทำร่วมกันเลยเรียกว่ามาหาปรวรณาเพราะนั้นวันออกพรรษาในอีกเรียกอีกวันหนึ่งว่าวันมหาปวรณาอันนี้ก็เป็นกิจในส่วนของสงเองนะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะที่แมทชีก็ดีญาติโยมก็ดีก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคนเราเนี่ย <c oughs> บางทีเราทำอะไรไปตามใจของตัวเองนะบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าไปรบกวนไปกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนอื่นนะซึ่งตรงนี้เราบางทีเราก็ไม่ได้เจตนานะหรือบางทีก็กระทาไปได้วยความพลั้งเผลอ นะเพราะฉะนั้นการที่เปิดโอกาสให้เพื่อนสาตวธ ร, รมิกดีหรือว่ า, เ, าเพื่อนสหายญาติสนิทมิซายได้ตักเตือนนะก็จะทําให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขนะข้อบอกพร่องหรือจุดอ่อนของเราแเนะพราะคนเราเนี่ยมันก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะบางทีเราทําไปโดยที่เราพลังเผลอไปบ้างนะหรือว่าทําไปโดยที่เราไม่รู้เท่าทันบ้าง นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะนําไปใช้ได้นะอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิทย์ในของสงฆ์คดีเรื่องพิธีกรรมพิธีการนะซึ่งก็เป็นศาสนาพิธีนะที่ <c oughs> พวกเราได้กระทําสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นฐานสําคัญนะในการที่เราจะพัฒนา ชีวิตหรือว่าสังคมนะของชาวพุทธเนี่ยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นนะอย่างเช่นการที่เราให้โอกาสกับผู้อื่นได้ตักเตือนนะตัวเราเราจะได้แก้ไขปรับปรุงนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราก็พัฒนาตัวเราเองขึ้นนะทั้งในส่วนกายส่วนวาจาส่วนใจนะเรียกว่าเป็นชีวิตนะที่พัฒนาขึ้นนะทำให้เกิดความเจริญงอกงาม นะเพราะนั้นการออกภรรษาเนี่ยก็เป็นเพียงแต่สมมุติเวลาตามเวลาเท่านั้นเองการออกพรรษาไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการที่เราจะเลิกละหรือว่าลดนะการกระทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดนะีอย่าไปถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเป็นอิสระแล้วนะเรา <c oughs> อยู่ในวัดเราทำอะไรไม่สะดวกนะไปไหนก็ไม่เคยสะดวกนะ แต่พอออกพรรษาแล้วทีนี้เราไปได้เต็มที่เลยออกไปไหนก็ได้นะถึงกับพระบางส่วนนะก็เรียกว่าไป เ, เที่ยวกันนะเหมือนญาติโยมนะไม่ต้องอะไรนะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้เนะี่ยเราลงไปดูที่สถานีขนส่งทั้งหลายนะก็จะมีพระไปกันรอรถที่จะเดินทางไปที่นู่นไปที่นี่กันนะซึ่งอันนั้นก็เป็นภาพที่เราเห็นได้ในปัจจุบัน นะซึ่งถ้าเราไปย้อนดูในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะหลังจากที่พุทธองค์ได้ประกาศสัจธรรมนะัยกับปัญจวัคคีย์นะัท่ปาิสิปตนมลกทัยวันะในตอนนั้นยังไม่มีการเข้าพรรษาไม่มีการออกพรรษาเพียงแต่ว่าถึงเวลานะท่านก็ส่งภิกษุออกไป เ, เรียกว่าไปประกาศนะพระรมจันทร์หรือว่าความจริง โดยกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายาเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และสุขและความสุขของคนจำนวนมากาทั้งมนุษย์และก็ถวยเทศทั้งหลายาเป็นการเกื้อกูลเป็นการไปเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมในครั้งนั้นเนี่ยผู้ที่จะจาริกไปนั้นเป็นพระอาราน เพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำกิจที่ท่านจะต้องทำส่วนตัวท่านทำสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเรียกว่าประโยชน์ตนเนี่ยท่านทำเรียบร้อยแล้วนะท่านก็ไปทำประโยชน์ผู้อื่นนะให้กว้างขวางออกไปนะจากตรงจุดนั้นเนี่ยนะก็ได้สืบทอดนะหลักธรรมแนวประพฤติปฏิบัตนะิมาจนถึงปัจจุบันนี้ทีนี้ในส่วนของเรากันเองนะถ้าเป็นภิกษุก็ดี นะทั้งใหม่และเก่าก็ดนะีเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นการออกพรรษาเนี่ยนะก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องของเวลานะที่เราก็จะออกไปอาจจะใช้เวลาในการที่จะนำสิ่งที่เราได้ศึกษาอบรมตัวเราตัวเราเองนะออกไป เ, เผยแพร่เนะท่าที่ความรู้เรามีนะ เท่าที่ความรู้เรามีไม่ไม่พูดเกินไปกว่าที่เร า, เ, าเข้าใจนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสืบทอดนะพระพุทธศาสนาหรือบางคนบางท่านนะเราก็คงเห็นนะมีบางคนบางท่านก็จะริกไปครูบาอาจารยนะ์ในที่ต่างๆนะเพื่อสแสวงหาเรียกว่าเคล็ดลับวิธีการในการที่จะ ฝึกจิตฝึกใจของตนเองนะอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เราได้เห็นนะที่เขาเรียกว่าการจาริกไปในช่วงออกพรรษานะในที่ต่างๆนะไปแสวงหาครูบาอาจารย์นะหรือบางคนบางท่านก็ไม่ไปที่ไหนก็ปักหลักอยู่ที่เดิมนะก็อย่างเช่นวัดป่าสุกโตเนี่ยนะพระบางส่วนก็ยังอยู่นะไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าจะเข้าบรรษาหรือจะออกพรรษามันก็เหมือนกันนะเป็น เวลาที่เราจะมาฝึกฝนขัดเกลาตัวเราเองนะเพื่อให้ถึงที่สุดทุกนะเรียกว่าสามารถจะออกจากทุกได้เพรา ะ, ะนั้นคำถามที่น่าจะถามก็คือออกปัรหาเนี่ยแล้วเราออกจากทุก์ได้หรื อ, อยังอันนี้เป็นคำถามนะถ้าเรายังออกจากทุกข์ไม่ได้นะการออกปรรหาเนี่ยนะก็เป็นเพียงเวลาสมมุติเท่านั้นเองกิจที่เราจะต้องทำงานที่เราจะต้องทำนะก็ยังจะต้องทากันต่อไป นะไม่ใช่ว่าออกปรรษาแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยนะหรือว่าอย่างชาวบ้านนะหรือว่าคนในสังคมเนี่ยนะในช่วงเข้าบรรษาก็ต้องใจนะในการทำบุญในการรักษาศีลระมัดระวังงดเว้นนะสิ่งเสพติดของมึนเมานะแต่พอออกปรรษานี่เหมือนกับได้ออกจากคุกเลยนะเขาเรียกว่าคุกของคนดีนะพอออกพรรษานี่ก็ โอ้ดื่มดื่มเต็มที่เลยนะสัมเรลเทเมามัวเมาเลยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะว่าหน้าที่จะได้เอ า, เอาสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในช่วงเขา้าพรรษาเนี่ยเป็นฐานนะในการที่จะพัฒนาตัวเราเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอย่างการที่เราอยู่ในช่วงเขา้าพรรษาเรางดเล่างดบุรีนะเมื่อออกบรรษาไปแล้วเนี่ยก็ต้องงดต่อนะ บางคนอาจจะงดเหล้าได้แต่ยังงดบุหรี่ไม่ได้นะพอออกพรรษาเนี่ยเหล้าก็ไม่กินแล้วบุหรี่ก็ลองเลิกดูก็ได้เออนะก็ทําให้มันดีขึ้นตรงเนี้มันก็จะทําให้ชีวิตเราจเจริญ ง, งอกงามยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นอิสระนะอิสระจากสิ่งเสพติดของมึนเมานะที่มีมอมมา ม, มอมเมาเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการออกพรรษาเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราจะเลิกละ นะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะที่เราประพฤติปฏิบัติในช่วงเขา้ารรษาแต่ออกพรรษาเป็นช่วงที่เราจะต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปนะหรืออย่างเช่นบางคนนะติดในอารมณ์ติดในความคิดของตัวเองในขณะที่เราเจริญสติในขณะที่เราพยายามที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะการที่เรามาเจริญสตินะนะในช่วง เข้าพรรษาเราก็ตั้งใจนะที่จะประพฤติปฏิบัตินะอย่างดีอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นช่วงออกพรรษาเราก็ยังต้องทํากันต่อไปนะถ้าเรายังไม่ถึงที่สุดทุกยังออกจากทุก์ไม่ได้เพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยมันแน่นอนที่ไหนละ่ะนะอาจจะตายวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เพราะฉะนั้นขณะที่เรามีกําลังวังชาเข้มแข็งแข็ง แ, งแรงนะเราก็ต้องอาศัยช่วงนี้แหละ นะในการที่จ ะ, จะเจริญสตินะทําการฝึกอบรมขัดเกลาวจิตใจของเราต่อไปให้มันจเจริญ ย, ยิ่งขึ้นไปนะอย่าไปถือว่าเป็นช่วงเวลาออกพรรษาแล้วนะเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะปล่อยเนื้อปล่อยกายปล่อยใจไปตามความอยากนะความต้องการนะที่มันอัดแน่นนะในช่วงก้อนพรรษาแบบทำอะไรไม่กระตนัดเลยนะ พอออกพรรษาก็เต็มที่เลยนะตรงนี้เราเลยได้ยินข่าวข่าวอยู่โอ้บางทีก็กินเหล้ากันหัวรา น, น้ำนะเที่ยวกันสนุกสนานนะจนเกิดอุบัติเหตุนะแม้แต่การขาบวนทอดกะถินใช่ไหมทอดกรถิ่นบางทีก็ไปประสบอุบัติเหตุโอ้ตั้งใจจะไปทำบุญนาอแต่ว่าชีวิตสั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะ โดยเฉพาะงานประเพณีงานกรถินก็ดีเนี่ยนะในบางที่บางแห่งก็ยังมีเล่าเมายาเข้ามาเกี่ยวข้องนะอันนี้เรียกว่าทำบุญแบบเมาบุญนะเรียกว่าไม่รูนะ้ทำไปโดยไม่รูนะ้หรืออย่างการที่มีเสียงอึดึกึกระทึกนะประทุษประทัดนะดังโครมครามโครมครามนี่ก็เป็นเรียกแล้วเรียกว่า <c oughs> เป็นการทำบุญที่เออกระเริกนะไม่สงบนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมดาเนาะที่ชาวบ้านนะเขาจะทำกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดมาทีหลังเท่านั้นเองอ่ะนะ่ท่าที่ตะมาได้สังเกตนะเดี๋ยวนี้คนเราส่วนใหญ่อ่ะจิตใจมันเหงานะมันเงียบเหงามันต้องการสิ่งที่จะมาทำให้เราตื่นเต้น นะเรียกว่าปลุกเราด้วยเสียงนะมันก็ทําให้เกิดการอึกกระทึกโครมสมัยก่อนเนี่ยการทําบุญใน เ, เทศกาลกรถินเนี่ยเราทําด้วยความสงบนะทำด้วยความาตั้งใจนะที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่สงนะเรื่องสนุกสนานนี่ก็มีบ้างนะไม่มากเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็กระเริกสนุกสนานกันจน ลืมเนื้อลืมตัวไปนะซึ่งอันนี้ก็เป็นผลเสียที่ทำให้เกิดขึ้นนะทำให้จิตใจไม่เ็อยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือว่าสติเสียสติไปนะทั้งๆที่ในช่วงเข้าบรรษาเราได้ตั้งใจในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสตินะเพราะนั้นช่วงออกพรรษานี่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานะที่เราสมมุติกันขึ้นมานะใน ตามที่พุทธองค์ได้บัญญัติเอาไว้นะซึ่งาชาวโลกก็ดีชาวพุทธก็ดีก็ได้ยึดถือกันมานะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะให้เป็นช่วงเวลาที่เราจะาปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะจนลืมเนื้อลืมตัวทำให้เกิดผลเสียหายนะชเช่นเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไปทำบุญนะหรือว่า จัดงานฉลองกันกินเหล้าเมายานะทำให้เกิดการชกต่อยนะเกิดการฆ่าฟันกันนะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสลดหทู่มากถ้างานกฐินแล้วเกิดอย่างนี้หรืองานบุญแล้วเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมานะเพราะนั้นตรงนี้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะาฝากเอาไวนะา้สำหรับญาติโยมที่อยู่วัดมาครบสามเดือนนะบางคนก็อาจจะกลับไปบ้าน นะบางคนก็ไม่กลับแล้วนะเพราะไม่มีบ้านแล้วอย่างพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่มีบ้านแล้วนะถือว่าเราออกจากเรือนแล้วนะเราก็อยู่ฝึกฝนอบรมกันต่อไปนะมีกิจธุระอะไรจาเป็นก็ออกไปบ้างพอสมควรนะไม่ถึงกับเออกรเรกิกมากจนเกินไปนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรที่จะได้พัฒนานะได้พัฒนาเรื่องกายเรื่องใจ นะให้เจริญยิงญ่งขึ้นไปนะเพื่อที่ว่าเป้าหมายของชีวิตสูงสุดนะในพุทธศาสนาก็คือการที่สามารถจะออกจากทุกข์ไดนะ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนะที่เราน่าจะได้ใชนะ้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้เพนะราะนั้นการออกพรรษาเนี่ย ต้องตั้งคำถามกับตัวเราเองว่าออกพรรษาแล้วออกจากทุกข์ได้หรือยังถ้าออกจากทุกข์ยังไม่ได้ก็อย่าประมาทใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดีประกอบไปด้วยคุณงามความดีแล้วก็สิ่งที่เราได้ฝึกฝนเนี่ยต่อยอดขึ้นไปเอาสิ่งที่เราได้ฝึกฝนในช่วงเข้าพรรษาพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปนะ เส่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเรียกว่าเกิดมาเนี่ยนะคุ้มค่านะกับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนานะแล้วก็ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่เป็นหนี้ชาวบ้านนะการที่เรารับบิณฑบาตก็ดีรับอาหารจากโรงครัวก็ดนะีเราไม่เป็นหนี้ละเพราะว่าอาหารของกบฉันนั้นนะเราเอาบริโภคมา นะเพื่อที่จะให้มีกําลังวังชาในะในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมนะทาให้ถึงที่สุดนะแห่งทุกนะให้ได้ในชีวิตนี้นะอย่าไปประมาทนะแล้วก็ไม่ต้องไปรอเวลาว่าเอาชาติหน้าชาตินูน้นมันไม่รู้นะชาติหน้าเราจะไปเกิดเป็นอะไรเพราะสิ่งที่เราทําสั่งสมมาเนี่ยนะมันไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> เรียกว่าเป็นโอกาสทองหน้าที่ทองของการที่เราเกิดเป็นมนุษย์ในเวลานี้ในวันนี้ในปีนี้จะไปผัดวันประกันพรุ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมันนึกเสียดายว่าโอ้นะเราปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าไปนะไม่ทำสิ่งที่เป็น เ, เป้าหมายของชีวิตห ร, หรือประโยชน์สูงสุดนะที่จะพึงได้ ในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะทีนี้มันก็มีเรื่องน่าสนใจอีกอันหนึ่งพอดีเมื่อวานนะตมาก็ลองไปดูในเฟซบุ๊กนะออในงานกระถินเนี่ยนะมันจะมีเขาเรียกว่าธงกระถินนะออมันมีปิศนารรเอาไว้สำหรับเตือนพระนะจริงๆก็เจตนาเตือนพระนั่นแหละนะแต่ว่าญาติโยมก็สามารถเอาไปใช้ได้ เราเคยสังเกตไหมเวลาทอดกระถินเสร็จเนี่ยนะเขาก็จะเอาทงเนี่ยเขาเรียกว่าทงอะไรท ง, ทงกระถินใช่ไหมที่มีรูปจระเข้นะมีรูปนางนางมัดฉานะแล้วก็มีเกลียวคลื่นนะมีวังมีวังน้าวนนะมันจะมีอยู่สองผืนนะของเดิมของโบราณ น, นะจะมีจระเข้นะกับคลื่นน้ำนะนี่ผืนหนึ่งแล้วก็มีนางคือค้ า, านางเงือกอ่ะนะ พูดง่ายๆ น, นะเนื้อแล้วก็มีเหมือนเป็นน้ำวนอีกผืนหนึ่งของโบราณจริงเขามีอยู่สองผืนเขาจะไปปักหน้าวัดที่มีการทอดกรถินแล้วเพื่อเป็นบอกเป็นการบอกว่าอาวัดนี้นะมีการทอดกรถินเรียบร้อยแล้วนคนที่อยากจะทอดกรถินก็จะทราบหรือถ้าวัดไหนยังไม่มีธง <c oughs> ก็แสดงว่าวัดนั้นยังไม่มีกระถิ น, นคนที่มีศรัทธาก็าจะไปแจ้งความประสงค์ นะที่จะทอดกระินได้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้รูปที่มันอยู่บนธงมันแปลว่าอะไรเออคนโบราณเนี่นะเขาผูกปิศนาอัตมาก็สงสัยเมื่อวานก็ <c oughs> ได้มีโอกาสถามจันสุรินนะถามอานะจารย์ออดอาจารย์ออดก็เปิด อ, อ่เรียกว่า Google ให้ดูเลยโอ้มันอย่างนี้เนาะนะพวกเราทราบไหมนะหรือบางคนทราบแล้วก็ได้นะ ก็ถือโอกาสเนียนะก็ได้นำมาให้พวกเราได้ทราบนะคือพุทธองค์เนี่ย <c oughs> ท่านเปรียบเทียบว่าท่านเตือนนะนะเตือนพระภิกษุนะในช่วงออกพรรษาเนี่ยการที่จะไปจาริกในในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีภัยอยู่สี่อย่างที่จะต้องระวังนะโดยเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ไปเล่นน้ำ ในน้ำเนี่ยนะมันจะมีคลื่นมีจรเนะเข้แล้วก็มีปลาร้ายแล้วก็มีวังน้ำวนนะท่านเปรียบเทียบว่าคลื่นเนี่ยนะมันเหมือนกับภิกษนะุบางรูปบางคนบางท่านนะไม่อดทนนะในการที่จะรับฟังค ำ, อคำสอนกด็ดนะีของครูบาอาจารย์ ของผู้ที่เรายกให้เป็นอาจารย์นะก็ไม่อยากจะฟังเบื่อนะไม่อยากจะศึกษาไม่อยากจะปฏิบัตินะนะเรียกว่ามีความกโกรธนั่นแหละนะคลื่นเนี่ยมันเหมือนกับความกโกรธความกโกรธความห ง, งุดหนงะิดไม่อยากที่จะรับฟังอะไรทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้ไม่น้อมรับนะเอาสิ่งที่เป็นคุณงามความดีไปประพฤติปฏิบัติ นะสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกขาลาเพศไปนะอันนี้อันนี้พูดถึงเป็นพระในสมัยก่อนนะถ้าเป็นพระในสมัยนี้ที่ตั้งใจจะบวชอยู่ไปเรื่อยๆนะก็ต้องระมัดระวังไม่พูดถึงพระที่บวชเพียงแค่ในช่วงข้าพรรษาที่ตั้งใจเพียงแค่ปรรษาเดียวนะอันที่สองก็คือรูปจระเขนะ้จระเข้เนี่ยมันกินทุกอย่างนะ เรียกว่าไม่รู้ละกินทุกอย่างเลยนะทั้งก็เปรียบเทียบเหมือนว่าให้ระมัดระวังเรื่องการกินนะคนที่เห็นแก่การกินเนี่ยนะเรียกว่าไม่มีสติ <c oughs> บางทีกินสิ่งที่เป็นของแสลงนะก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะการจาลิกสแสวงไปในที่ต่างๆหรือการกินอิ่มเกินมากเกินไปนะก็ทำให้ร่างกายของเรานะ ไ, มไม่ปกติ นะอาจจะเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้แลนะสิ่งสำคัญก็คือการกินไม่รู้จัก อ, อ, อิ่มนะเรียกว่ามีความอยากนะ น, นี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะนี่ก็เป็นอันที่สองนะอันที่สามก็คือวางน้ำวนนะวางน้ำว น, นท่านเปรียบเทียบเหมือนกับรสอร่อยของโลกนะก็คือการกามาคุณทั้งหลายนะจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ที่ทำให้เรายินดีพอใจนะซึ่ง <c oughs> พระที่ออกไปจาริกในที่ต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการสำรวมระวังนะเราไปในที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมีรูปรสกลิ่นเสียงนี่แหละมากระทบมาสัมผัสทำให้เรายินดีไม่ดีหรือไม่ยินดีนะเรียกว่าเป็นการมเป็นการมมุณนะหรือเป็นรถของโลกนะที่ชวนให้เราเลิกละ นะไม่ยินดีนะที่จะอยู่ในเพศบรรปะชิตต่อไปนะก็ต้องสิกขาลาเพศออกไปนะหรืออย่างกรณีตะกี้นิจระเข้เนี่ยคนที่เห็นกันการกินเนี่ยนะก็จะบวชอยู่ได้ไม่นานเพราะว่าการมีชีวิตนักบวชเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะกินอะไรได้ตามใจนะตัวเองนะก็รู้สึกลําบากก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสิกขาลาเพศไปอันสุดท้ายนะเป็นรูปหนังเงือกหรือบางทีนางมัจฉา อันนี้หมายถึงว่ามาตุคามภิกษุออกไปจาริกในที่ต่างๆก็ต้องระมัดระวังในในการที่จะได้พบปะกับมาตุคามหรือผู้หญิงซึ่งแน่นอนล่ะก็อาจจะเกิดความรู้สึกถ้าสติปัญญาเราไม่ดีพออดทนไม่พอนะสุดท้ายก็จะอยู่ใต้อำนาจของความกำหนัดนในเพศตรงข้าม นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อ่าเตือนเพราะฉะนั้นปริศนาของธงกะถิ่นเนี่ยเขาไว้เตือนภิกษนะุที่จะต้องออกไปจาริกในที่ต่างๆในแง่ของญาติโยมเนี่ยนะเราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะการที่เรามีชีวิตที่รู้เท่าทันรถของโลกนะจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกด็ดนะีเราไม่หลงมัวเมานะจนทำให้เรานั้นนะลืมเนื้อลืมตัว นะแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมานะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะามาทำได้เพระาะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากพวกเราไว้พิจารณาเพราะนั้นในสิ่งที่ได้พูดได้คุยได้เล่าให้ฟังนะก็เป็นการระลึกถึงนะว่าวันนี้เป็นวันออกพรรษานะก็ขอให้การออกพรรษาเนี่ยเป็นเพียงเวลา นะที่เรากำหนดสมมุติเอาไว้แต่ไม่ได้ออกไปจากคุณงามความดีนะออกไปจากสิ่งที่เราได้เคยได้ทำนะที่เราทำในช่วงขบันสาแล้วก็ต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ในท้ายที่สุดนี้ก็ของอ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญา ที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะทั้งในตัวเราแล้วก็นอกตัวเราพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นพระธตรมใจก็อยู่ในใจเราอยู่ที่ตัวอยู่ที่กายเราเอาพระธรรมใจนีนะ้เป็นที่พึ่งนะด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสมีความเพียรความพยายามความตั้งใจในการที่จะพัฒนาชีวิต ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเข้าบรรศาหรือออกพรรษาก็ตามและด้วยความเพียรความพยายามกำลังของทุกท่านนี้นะขอให้เป็นพลวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านนะได้ถึงที่สุดของทุกออกจากทุกได้พบกับสันติสุขนะที่มีอยู่แล้วในจิตในใจในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร